ท่านฟังที่เคารพคะ่ะและนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการสรรันส mean สนทนานะคะที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมในช่วงเช้ากันกับท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คชาคาวโรด้วยวัดนาป่าพงของท่านมาร์คนี่อยู่ลําลู ก, กาคลองสิบนะคะบางคนบอกว่าโอโ้โหอยู่แถวนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากเราไปทอดกรถิ่นกันในวันที่สิบหกค่ะสิบหกตุลาคมเต้นจําได้ว่า ยังนั่งฟังธรรมกันอยู่ที่ลานในวัดได้เลยอยู่กับพื้นเลยนะคะแต่ขณะที่เดินทางกลับมาเนี่ยวัดเนี้ยพื้นที่ติดกันจะมีท้องนาอยู่ถนนของวัดเลยเห็นละหูน้ำเสมอถนนพราะวัดรุ่งขึ้นคือวันที่สิบเจ็ดก็ได้ทราบข่าว่าเป็นวัดลอยน้ำไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้าใจว่ายังอยู่ในน้ำอยู่เราพยายามที่จะบอกท่านว่าไม่เลือก ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นพระนะคะเมื่อเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนทั่วถึงกันหมดวันนี้ในเรื่องของความช่วยเหลือก็จะมีส่งไปในทุกที่ถ้าหากว่าเป็นทางด้านของมหาเถรสมาคมเี่ก็จะเห็นว่ามีการเปิดสาหรับการที่จะให้ผู้มีจิตศรัทธาว่าจะช่วยเนี่ยระบุไปเลยว่าช่วยพระตามที่ช่องฐานที่ได้จัดไว้ด้วยเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องไป หาสักหน่อยนะคะเนื่องจากเดี๋ฉันไม่ได้จดบันทึกมาเพื่อที่จะบอกแต่กลับเรียนให้ทราบก็แล้วกันทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาพบกับพระภิกษุรูปที่สองในรายการช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายศกอุดรธานีซึ่งน้ําไม่ท่วมค่ะนมาสการกระทั้งค่ะเชิญพอน้ําไม่ท่วมแล้วก็ฝนไม่ตกมาเจ็ดแปดวันแล้วล่ะไม่น่าเชื่อนะคะแห้สนิทฝนไม่ตกนี่มันไม่ดีเลยสําหรับ ชาวนาแต่ว่า<ม>ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเก็บเกี่ยวแล้วฝนไม่ตกเขาก็ไม่มีปัญห า, าอ๋อค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นฤ ด, ดูที่ต้องนะต้องการน้รําเพาะปลูกกรุณาตกมีมีคนมาบอกอาตมาเรื่องที่วัดน้ําท่วมนะะเอเขาบอกว่าเออดีมกันนะพระภิกษุก็ไม่ต้องทํากิจคือพระนี่จะต้องมาปัดกวาดลานวัดใช่ไหมเจ็าถูเสนาสิพอันทั่วหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทําตรงไหนล่ะก็ทํานิดๆหน่อยๆเท่าที่เราอยู่ก็พอ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้กลัวตรงนั้นกลัวท่านอดไม่มีอะไรจะรับประชันอย่างงี้นะไปบินถบายจะไม่ได้อะไรต่างๆเงี้ยกลัวท่านอดแต่สําหรับพระภิกษุเนี่ยกลัวอะไรหรือไม่คุณหยงติวกลัวอะไรก็ได้คะกลัวบาปกลัวบาปนะคือถ้าจะมีอคุศลอยู่ในจิตเรากลัวกลัวทําอะไรแล้วมันจะทําให้เกิดอคุศล์ก็แค่เรากลัวกลัวเออซึ่งพระพเจาให้ให้กลัวบาปแล้วคือฮิริอัตตปะค่ะ พระกลัวบาปคนอาจจะกลัวลําบากเปลี่ยน็นกลัวบาปนี่จะทําให้พัฒตัวเองขึ้นมาใกล้พระเลยไหมแน่นอนแต่ที่เราจะไปกลัวผีกลัวน้ํากลัวอะไรมากลัวบาปดีกว่าค่ะรักษากายวาจาใจเราให้บริสุทธิ์แม้กระทั่งน้ําท่วมเราแช่อยู่ในน้ําก็ไม่ให้เรากลัวลําบากหรอกค่ะท่านลําบากนี่ต้องอดทนถ้าเรากลัวความลาบากจิตเราจะไม่ปกติเพราะจิตเราไม่ปกติเราจะอดทนไม่ได้ จะจะเรมให้คลำครวนแต่ถ้าเราประสบความลำบากอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราต่อสู้เราต้องอดทนใช่ไหมเพราะเราต้องกลัวบาปคนจะอดทนได้เนี่ยจิตกุลต้องปกติต้องมีกำลังเพราะฉะถ้าเราไม่ไม่กลัวบาปนะจิตเราจะไหลไปในทางที่ไม่ดีค่ะ อ, อันนี้ดิฉันดีใจนะคะที่ท่านได้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นคาตอบด้วยเพราะว่าเป็นการทบทวนที่ได้สนทนากันไปใน2วันก่อน เรื่องของจิตมีกําลังจิตไม่มีกําลังเนี่ยนะคะก็ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะค <c oughs> ่ะทีนี้ท่านฟังอาจจะยังอยากฟังต่อเมื่อวานนี้กําลังสนทนาได้ความรู้ใหม่เยอะแล้วก็ได้รสชาติอีกแบบหนึงด้วยด้วยการพูดถึงเรื่องของศีลที่อยู่มาแต่ไหนแต่ไรพูดถึงมัชของพระพุทธองค์ที่หลังจากตรัสรู้แล้วมัชมัชคือหนทาง ที่จะหลุดพ้นถูกไหมคะจากความทุกข์ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยวิธีเนี่ยมีเปลี่ยนมาบ้างไหมคะตั้งแต่ปีท พ, พุทธเจ้ายัางอยู่เนะคะ เ, เรื่องของธรรมวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ประกอบด้วยการนะคือการเวลาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นจริงตลอดค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปบางคนบอก่โอ้ยโลกสมัยนี้กับสมัยตอนเกิดนี่มันห่างกันลิบลับเลยหรือว่าเอาแค่ถ้าจับต้องได้ ก็อย่งกับตัวเราในสองกระจกนะคะออืบางคนเนี่ยมันเห็นชัดเลยยิงทะพ้นเลขห้าไปแล้วนี่โอ้โหมันมาเป็นแผนที่เลย<笑><笑>เหมือนกับแผนที่ฝัดเวน้ําท่วมเลยนะครับมันท่วมรายวันมันเปลี่ยนแปลงรายวันทีนี้อก็จึงจําเป็นต้องรู้เท่ารู้ทันบางคนที่ปฏิเสธนะนะคะท่านเพรเลยอายุห้าสิบนี่ไม่เอาแล้วไม่ต้องมาพูดถึงนะในเรื่องอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอีเมลไม่รู้ทั้งนั้นแหละอืม รู้ใจแต่อีนั่นอีนี่ซึ่งพูดแล้วเป็นภาษาไม่สุภาพในภาษาไทยทีนี้ท่านค ะ, ะมันก็เลยทําให้เกิดความสงสัยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีผู้ที่สงสัยว่าการไปแสดงความเห็นด้วยกับคนที่ส่งข้อความในทํานองเสียดสีประชดประชันหรือว่าอ ะ, อะไรนะคะเขาใช้คําว่าประชดประชันนั่นแหละนะค ะ, ะด้วยการแสดงชอบไม่ชอบเนี่ย ผิดมักถูกมักอย่างไรหรือไม่ใช่ไหมคะเราเมื่อวานนี้ก็ถ้าอาจารย์อธิบายไปว่าเป็นสัมมาขออภัยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฐิใช่นะคะแต่ถ้าเป็นคนนำขึ้นเองส่งออกเอารูปเขาดีๆไปปรับรูปอื่นใส่เขาใส่รองเท้าแบบหนึ่งไปปรับอีกแบบหนึ่งเพื่อจะว่าเขาว่าอะไรล่ะเป็นคนที่ไม่รู้กาละเทศะเอาของเอาของยี่ห้อแพง มาใช้ในยามที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยผิดในเชิงสัมมาวาจาใช่ท่านพูดแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีอื่นๆท่านพิบูลเนี่ยอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีมากกว่าทีฉันที่จะเปรียบเทียบกับเรื่องมัคเนี่ยท่านมองเห็นมุมไหนที่น่าที่จะทําความเข้าใจกันเพิ่มอีกคะเออเรามาพูดเรื่องใกล้ๆตัวกันดีกว่าคือสมมุติว่าถ้าเราเจาะลงไปเรื่องมัคเนี่ยนะคือมัคเนี่ยมันรวมหมดอยู่แล้วอะไรอรมันก็จะตกอยู่ในนี้ เาม า, มาพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวหน่อ ย, อยสมมุติเพื่อนที่ที่อาตมาพูดไว้เมื่อวานพูดถึงคนที่พูดไม่ดีอย่างเงี้ยกล่าววาจาที่เอาเรื่องมาแต่งมาเที่ยวโฆษณาสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นใช่ไหม ค, คุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนไม่ดีแล้วคุณประมาทแล้วปกติฉันจะเป็นคนดีอยู่นะแต่ว่าทาไมวันนี้ฉันไม่รู้เป็นบ้าอะไรเอาเรื่องไม่ดีไม่ดีมา ไปคลิกไลค์คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> ก็จะเอาเรื่องไม่ดีคนหนึ่งมาเปิดเผยละเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีละแสดงว่าเราเป็นผู้ประมาทพอเราเป็นผู้ประมาทแล้วเนี่ยคุ ณ, คณ siglo, ที่เป็นเพื่อนชั้นเนี่ยนะก็ถ้าเราเป็นเพื่อนดีเนี่ยเราต้องรู้จักรักษามิตรที่ประมาทรักษามิตรที่ประมาทถึงจะเป็นเพื่อนดีนอันนี้คือกรณีที่หนึ่งไม่ใช่ว่าถ้าเขาพูดดีเราก็เห็นด้วยพูดไม่ดีเราก็เห็นด้วยอันนี้เป็นมิตรหัวประจบ เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ว่าจะโพสอะไรขึ้นมาดีไม่ดีเราถูกใจหมดถูกใจหมดคุณเป็นมิดหัวประจบใ้ดูไปเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะเสพเลือกที่จะดูว่าเอาอันนี้ดีเป็นการพูดข้อดีของคนอื่นเป็นการทำให้สังคมดีเราถูกใจอันนี้ไม่ดีไม่ไม่ไม่ทำให้สังคมดีขึ้นเป็นเรื่องพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเราอย่าสนลบออกอันนี้ถึงจะถูก แล้วก็ถ้ามีเวลาหาโอกาสเตือนเขา ว, ว่ารักษาเขาให้ไม่ให้ประมาทอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นมิตรที่จริงใจมิตรที่ควรครบรอยเงนินค่ะท่านพ่บูญคะ่ะทีนี้จะมีลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วมากสมมุติว่าดิฉันส่งเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะคะก็ใครก็ชอบอ่านเราก็มีความรู้สึกนี่เราก็ ทำบุญให้กับคุณนะเนี่ยทําให้คุณอ่านแล้วสนุกคลายเครียดอืแต่ทีน่นี้เรื่องสนุกสมมติ น, นะคะมันเป็นเรื่องสองแง่สองง่า ม, มเรารู้สึกว่าถ้าเราบางคนเนี่ยอ่านไปแล้วก็คลิกชอบไลค์ส่งต่อไปให้คนอื่นเลยอืแต่ในขณะที่บางคนอาจจะพยายามประคองอยู่ในเส้นทางอยู่ในมัด <laughs> มีความรู้สึกว่าแหมเป็นเพื่อนรักเรามากเขาหัวเราะกันทั้งสังคมของเราเลยอ ม, มีอยู่ประมาณสาสิบคนเนี่ย แต่ว่าเราไม่กล้าเราเราไม่แสดงออกเลยดีกว่าเฉยๆเลยดีกว่าใช่ใช่อย่างอย่างนี้มันยังไงคะก็ก็ไม่แปลกอะไรนี่ม claro> ันไปทางธรรมกันท่านคะหรือว่าเราก็หัวเราะได้ไม่เห็นแปลกเลยอ๋อคือทั้งท huh> ี่เป็นเรื่องแบบนั้นในทางธรรมเนี่ยการที่จะมาคุยเล่นกันโดยใช้วาจาเพ้อเจ้อหรือว่าจาโกหกเพื่อความสนุกสนานเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่ไม่ไมให้ทําไม่ควรเป็น นะแต่ว่าวาจาที่ไม่เพิ่เจอไม่โกหกแล้วเป็นที่ร่าเริงรื่นเริงมีไหมคําตอบคือมีนะเราไปเล่นเราไปเขาเรียกว่าให้อยู่ตรงนั้นนะวาจาที่ไม่เพิ่เจอไม่โกหกไ ม, ไม่ไม่เป็นเรื่องที่เพิ่เจอขึ้นมาเป็นเรื่องที่จริงมีหลักฐานที่อ้างอิงแต่เป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วร่าเริงคลื่นเครืองมีไหมคลื่นเพลงมีไหมมีนะคุณยมติอค่ะที่ที่ทนิดกับเรียนท่านอย่างเงี้ยก็ นึกเหมือนกันว่าท่านรู้ความบางท่านอาจจะบอกเออคนจัดรายการคนนี้นี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยจะห้ามไม่ให้คนหัวเราะกันหรือยังไง <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันกําลังจะเรียนถามท่านคือตีกรอบให้มันแคบเข้าสําหรับคนที่มีความรู้สึกว่ากําลังฝึกตนนะคะท่านคะ <c oughs> <c oughs> คือมัอนก็นว่าบางทีเราอ่านแล้วก็ขำนะคะไม่ใช่ว่าไม่ขำแต่เราไม่แน่ใจว่าเออถ้าเราอยู่ในระหว่างฝึกตนสมมุติว่าดิฉันอยู่ฝึกสมาวิจัยอย่างเงี้ยออนะคะไม่พูด เพื่เจอสอเสโกหพูดหยาบเนี่ยไอการที่ส่งต่อในสิ่งที่เป็นคําพูดในลักษณะทํานองนี้เท่ากับเราเป็นผู้ที่ผิดสมวิชาเช่นกันกับผู้ที่เขียนข้อความนี้ขึ้นส่งข้อความนี้ขึ้ น, นด้วยไหมคะใช่เป็นอาสัจบรุษนะคนไม่ดีละ่ะเอาเรื่องไม่ดีของอื่นมาพูดต่อเป็น ค, คนไม่ดีละ่ะทีนี้ว่าประเด็นมันก็คือว่าถ้าเราไปเราเผลอหัวเราะไปแล้ว นะเผยหัวละไปแล้วแล้วทำไงเราก็รีบรวบรวมสตินะให้มามาเป็นจิต ท, ที่ปกติอยู่คือสมมุติวาจาที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรมากระทบอย่างนี้งงนะแล้วเราปล่อยวางได้เร็วเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราอยู่ในมรดดีเท่านั้นไงมันก็เป็นการฝึกตนไปในตัวนะแล้วเราก็ไม่ส่งต่อไม่ส่งต่อเรื่องที่ไม่ดีแค่นั้นเองในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปทําให้คนที่เขากําลังมีความสุขสนุกสนานกันรู้สึกเหมือนกับถูก ขัดขวางติดเบรกอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยส่งมาทําไมอ่าเขาเรียกอะไรนะทะลึ่งสมมติเงี้ยเราเออไม่คอมเมนต์อะไรเลยเราอยู่เฉยเฉย อ, อันนี้ก็เป็นข้อดีนะตรงที่ว่าเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยเราไม่สร้างศัตรูละแต่นี้เรามีเวลาจังหวะโอกาสพอเหมาะเราก็หาเวลาไปบอกเขาอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเราใช้อีกวิธีหนึ่งแทนสังคมนี้เขาก็พูดกันทุกเรื่องแต่หนักไปทางเรื่องที่ ถ้าจะให้คนตอบต้องเป็นเรื่องที่ให้คนหัวเลาะแล้วยิ่งหัวเลาะแบบแจ็กเก็ตตี้อย่างที่ยกตัวอย่างไปด้วยว่า เ, เรื่องมันสองแง่สองงานหน่อย <S <S ออก็จะมีนคนที่สนุกร่วมกันเพราะมันเป็นเพื่อนกันก น, นะครับมันเป็นเรื่องปกติ <S <S 2> <S 2> ในสังคมไทยจะว่าไปทีนี้เราไม่โพสเรื่องนั้นมองข้ามไปเลยเอาพุทธวจนะขึ้นไปเลย เ, เราทำถูก คือสื่อของอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์เนี่ยนะมันไปได้เร็ว <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องไม่ดีมันก็ไปได้เร็วเช่นเดียวกันเรื่องดีๆมันก็ไปได้เร็วเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องไม่ดีมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะหัวเราะเอกิกอาเนี่ยพุทเจ้าบอกว่าการหัเราะการขับเสียงอัญญาพวกเนี้ยเป็นการร้องไห้ในธรรมวินัยนี้ mm. แต่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทําอย่างนั้นแล้วทํายังไงรีบรัรีบสละสิ่งไม่ดีใช่ไหแล้วทํายังไงใช้ข้อดีของเขาการที่มันไปเร็วนี่แหละเราเอาความดีขึ้นความดีก็ไปเร็วเหมือนกันมันก็จะทวนกระแสกัน ใครชนะก็คนนั้นชนะแหละความดีก็ชนะถ้าความดีทวนกระแสได้มากแต่ว่าเคยศึกษาว่าพระพุทธองค์เวลาตรัสอะไรเนี่ยจะทรงเลือกกาละเทสะใช่ไออย่างนี้ถือว่ามันดีนะแต่มันไม่ค่อยไปกับกาละเทสะของสังคมนั้นหรือเปล่าคะเออ ส, สังคมนั้นคือเขายังไงสมมุติว่าคนที่เขาที่คุณโยมติยมพูดว่าเออเราก็อย่าเพิ่งไปสวนเขาตอนนั้นมันต้องอยู่ที่เหตุการณ์ อย่างพี่เลี้ยงผู้ช้าเคยเปรียบเทียบพี่เลี้ยงเนี่ยกําลังเลี้ยงเด็กอยู่เด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรนอนงายแบ่เบา อ, อยู่เนี่ยอยู่มือคว้าชิ้นกระเบื้องจับแ ย, ย้ใส่ปากพี่เลี้ยงบอกเออเออไม่ไ i, เป็นไรแต่ตอนเย็นเข้าม่เอาออกตอนนี้ให้มันเล่นไปก่อนไม่ได้นะพี่เลี้ยงต้องประคองเด็กด้วยมือซ้ายเอามือนิ้วมือขวาล้วงไปเกี่ยวขึ้นมาถึงแม่เลือดออกก็ต้องทําเดี๋ยวนั้นนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หวังความปลอดภัยกับเด็ก เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเราเนี่ยเล่นอะไรที่มันหนักเกินไปเฮ้ยนี่คุณเสี่ยงต่อติดคุกติดตารางนะอันนี้คุณเสี่ยงต่อการที่ทําลายชื่อเสียงของตัวเองนะมีโทษภัยอย่างนี้อย่างนี่งนี้โอ้โหเราต้องเตือนเขาถ้ามันเป็นโทษหนักเขาจะฆ่าคนอยู่แล้วเราไม่ห้ามไม่ตีหัวเพื่อให้มันหยุดนี่มันก็ไม่ได้เป็นต้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็ต้องวิจัยวิเคราะห์วิว่ามันหนักเบาแค่ไหนนะถ้าหนักมากคุณต้องเตือนเดี๋ยวนั้นแตนะถ้าไม่ค่อยหนักเราค่อยมาบอกคอยสอนกันในวาระหลังก็ได้ ค่ะท่านคะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทันสมัยแล้วนะคะมันมีมานานแล้วเรื่องจดหมายลูกโซ่คือมีคนชอบเขียนจดหมายมาตอนแรกก็เริ่มต้นเป็นเรื่องน่าสนใจใครรู้เช่เพะพออ่านไปได้สักพักหนึ่งบอกว่าอ่านมาถึงตอนนี้แปลว่าตกอยู่ในมนต์ดำของเราแล้วถ้าไม่ส่งต่อไปให้ใครเนี่ยจะ ต, ตายภายใน15วันอะไรอย่างนี้นะคะท่านคะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มี ม, มแล้วก็มีคนส่งต่อด้วยนะคะอแต่ดิฉันเองเนี่ย ไม่เคยส่งต่อเลยอตมาก็เหมือนกันไม่เคยส่งต่อเออนั่นเ็สิคะ อ, อยากจะให้ท่านดิชันใช้คาว่าให้ธรรมะแล้วก็ทำให้คนที่ที่ละล้าล ะ, ล, ะ, ล, ะลางมาอยู่นานแล้ว <c oughs> ไม่สมก็กลัวนะคะก็ถ้าจ ะ, <c oughs> จะกลัวเนี่ยก็ให้มากลัวบาปไงแล้ว <c oughs> ก็ข้อความนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะ เพรนการส่งต่อไปเราก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะมันถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็จะเป็นอาสบรุษแต่ถ้าจริงขึ้นมาเนี่ยเราเก็บไว้เองมันก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะฉะมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องส่งต่อค่ะแต่ที่ฉันกำลังจะถามไปถึงผู้ส่งเลยค่ะสมมติว่าคุณส่งมาแล้วทำให้คนเขามีความทุกข์เป็นสายเลยยิ่งนี้ถือว่าผิดสินผิดธรรมอะไรไหมคะก็คือคุณถ้าวาจานั้นเเปป็็นนนนนนสสิิิ่่่่่่่งงงงงททททีีีีีข้นะ้้้ออออควาาามมมััไถูกกตะะหลฐ ที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็จะตกอยู่ในขายของความเพิ่อเจอพูดเพิ่อเจอทีนี้คุณไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเอามาพูดเนี่ยเพิอเจอแน่ล ะ, ะ, ะก็ถ้าทำบ่อยๆทำมากๆ ก, ก็เป็นไปเพื่อรถกำเนิดเดรัจฉานไปนวิสัยถ้าทำพอประมาณันะก็จะเป็นไปเพื่อการพูดวาจาที่ไม่มีใครเชื่อพูดแล้วคนเขาไม่เชื่อเราค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะในวันนี้นะคะกับพระปปพบูบุ์อภิปุโนโจากวัดปารดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีคะ่ะก็คงจะต้องนิมนต์ท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเหมือนเดินนะคะาวันนี้ในมรดการขอบพระคุณคะ่ะวันนี้ตอนนี้ที่ครบค่ะเรากําลังะจะลากันนะคะสําหรับรายการนี้ในวันนี้เพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รายการสรนสนีสนทนาดําเนินรายการโดยสรนสนีนาคพงเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงพุท้ทวจนะธรรมวินัยจากพุทธโดย กรมการแต่ว่าเวลาพระสงฆ์นำมาตอบเนี่ยท่านก็จะได้ยกขึ้นมาทีนี้ยกจนคล่องจนเป็นธรรมชาติแล้วบางท่านที่เพิ่งฟังใหม่ๆอาจจะแยกแยะไม่ออกแต่ฟังบ่อยๆท่านจะจับได้เองนะคะว่าตรงไหนที่พูดถึงย้ํามาประกอบกับการตอบคําถามนั่นนหะคะ่ะคือส่วนของผู้ทวจนะวันนี้เราก็แจ้งให้ทราบผู้ที่จะถามคําถามมานะคะคือส่งมาที่เพียวธรรมะ .com/106 ก็ได้ 022690006คือเบอร์ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และเบอร์เดียวกันนี้ท่านก็ขอหนังสือผู้ทวจนะที่แจกกันเวนลาสามเล่มเป็นอภินันธนาการมาจากพระอาจารย์คอกฤทิโสธิพโลวันนาปาพงล์ลูกกาขลองสิบได้พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพุทท ว, วัสดีค่ะ